เดาศักอีกนิดหนึ่งจากคำว่าอุทยะบวกวยะบวกอนุปัสนาอุทยะไี่แปลว่าเกิดวยะแปลว่าเส่ิอมอนุปัสนาแปลว่าตามเห็นหรือพิจารณาเห็นคือพิจารณาเห็นความเกิดและความเส่อมก็เลยมาเรียกชื่อว่าอุทยพยานอุปัสนาก็นี้เป็นชื่อของยานก็เลยเรียกว่ายานเข้ามาอีกศัพท์หนึ่ง อุทยพยานุปัสนาญาณเนี่ย น, นะคื อ, อญาณที่ตามเห็นโดยความเกิดและความเสื่อมถ้าว่าให้เป็นในพระาบาลีก็เกิดโดยอาการเท่าไหร่ยี่สิบห้าเสื่อมโดยอาการยี่สิบห้าความเกิดความเสื่อมโดยอาการห้าสิบเนี่ย น, นะมันก็ว่าปัญญาที่ตามเห็นโดยความแปรไปแห่งธรรมะที่เป็นปัจจุบันที่ว่าอุทยพยานุปาาัสนาญาณเพราะนั้นก็เท่ากับว่าญาณที่ตามเห็นความเกิดและความเสื่อม สำหรับธรรมะสัญญาณนะครับท่านจะแสดงถึงธรรมะที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันแต่ว่าอุทยพญายานนี้ท่านหมายถึงจะแสดงว่าเป็นปัจจุบันสันติอย่างเดียวครก็เพราะว่าปัญญาเนี่ยละในสิ่งที่เป็นอดีตสิ่งที่เป็นอนาคตไปแล้วก็ก็มาอยู่ในโลกที่เป็นจริงถ้าส่วนใหญ่เนะี่ยเพราะว่า ท่านบอกว่าสัมมาชนายนั้นยังเป็นอนุมานนยาณเป็นยานที่ตามอนนมานรู้อดีตรู้ถึงอนาคตแต่ถ้าเป็นอุทยพยานุปัสนาญาณตรงนี้เน้นที่สิ่งที่เป็นปัจจุบันท่านบอกว่าที่กําลังปรากฏและเป็นไปคําว่าปรากฏนี่ก็คือหมายว่ามันเห็นเห็นกันอยู่เลยแต่ในขณะเดียวกันเดี๋ยวยานข้างหน้าก็จะเชื่อมอดีตอนาคตต่อไปอนี่ไนงะคือการการพิจรนารณาเนี่ยว่าให้นะ ว่าให้ตรงๆก็คือทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันอดีตอนาคตปัจจุบันอดีตอนาคตปัจจุบันอยู่อย่างนี้แหละซึ่งหลักการที่จะว่าโดยหลักการที่จะทําให้ผู้บรรลุได้นะอ๋อันนี้โดยหลักการกว้างใหญ่ก่อนว่าบรรลุตอนพิจารณาอดีตก็ได้บรรลุตอนพิจารณาอนาคตก็ได้บรรลุพิจารณาปัจจุบันก็ได้บรรลุพิจารณาอดีตเพราะอันนี้จังก็ได้ บรรลุพิจารณาอดีตเพราะทุกขังก็ได้บรรลุเพราะอนัตตก็ได้เห็นไหมอดีตอนาคตปัจจุอนอนาคตก็อดีตอันนี้จังทุกขังอนัตตก็ได้ปัจจุบันอนนี้จังทุกขังอนัตตก็ได้อันนี้จังเนี่ยแบ่งเป็นภายในก็ได้ภายนอกก็ได้่ enfin ีแล้วภายในภายนอกบ่งเป็นบรรลุเพราะนามก็ได้บรรลุเพราะรูปก็ได้ก็กว้างใหญ่ไพศาลมาก แต่นี้ก็คือเรียกว่าทําตัวอย่างอย่างที่เราเรียนเนี่ยเรียกว่าตัวอย่างให้ดูคร่าวๆโดยหลักการกว้างๆก่อนพอในรายละเอียดของแต่ละคนแล้วจะไม่เหมือนกันอะไรเต้อ ง, งแสดงเหมือนกับว่ามันสามารถที่จะรู้อย่างใดอย่างหนึ่งได้แต่ว่าความจริงแล้วมันเป็ น, เ ป, นเป็นหลักหรือล่าครับรู้านามก็ได้รู้รูปก็ได้นามเป็นหลักรูปเป็นหลักหรือว่ามันก็จะต้องรู้ทั้งสองอย่างครับศาสนานี้ท่านเปรียบเทียบว่าพระนิพพานเหมือนกับทะเล ข้อปฏิบัติหรือวิธีการพิจารณาเหมือนกับท่าย่างลงสู่ทะเลเพราะฉะนั้นการพิจารณานั้นถ้าโดย ล, ละเอียดรอบคอบอันอื่นๆมาดีแล้วจะส่วนไหนก็ได้เห็นไหมจะบรรลุในส่วนไหนก็ได้เหมือนกับว่าวิชาเนี่ยไปเรียนเรื่องค้าขายมาตั้งขายทุกอย่างที่เรียนมาเนี่ยนะแต่ว่าประกอบอาชีพจริงๆอาจจะขายแค่อย่างเดียวแล้วก็ลักษณะนั้นการศึกษาธรรมะก็ลักษณะเดียวกันศึกษามาอย่างกว้างขวางเพราะพระองค์จะแสดงว่าขันนะ ทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกหยาบละเอียดเลวประณีื้ใกล้ไกเธอเพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงว่านั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่อัตตาของเราอริยาสาวกเมื่อได้ฟังอย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูปแม้ในเวทนาแม้ในสัญญาแม้ในสังขารแม้ในวิญญาณเพราะฉะนั้นไอตัวเบื่อที่ตรงที่เรียกว่าตัวที่พากออกจากสังขะธรรมเนี่ยนะพากจากรูปก็ได้เวทนาสัญญาสังขารหรือจากวิญญาณก็ได้ จากภายในก็ได้จากภายนอกก็ได้จากอดีตก็ได้อนาคตก็ได้ปัจจุบันก็ได้เก็ในในส่วนที่เป็นนามก็ได้เป็นรูปก็ได้เพราะอนิจจังก็ได้ทุกขังก็ได้อนัตตาก็ได้เพราะฉะนั้นเข้าจริงเรียกว่าอริยมรรคเป็นพันในเคยได้ยินนะว่าพระษาริบุตรบรรลุโสดาปิมรรคเนี่ยพร้อมด้วยนัยยะพันหนึ่งบางว่ามีหลักการที่สามารถทําให้เข้าถึงโลกุตระธรรมได้เป็นพันในแต่ว่าเรายังไม่ได้สักหน่ยเลยเนี่ คำว่าอุทยพยานุปัสนาเนี่ยนะก็คือการเห็นความเกิดและความเสื่อมไปก็การกําหนดการเกิดขึ้นและความดับไปในสังขารธรรมที่กําลังปรากฏในสัมมสัญาอ น, น, นั่นเองหมายความว่าสัมมสนญาอนพิจารณาอย่างละเอียดละออถีทุ่นแล้วสัมมาสนญาอนจึงจึงเกิดตามเนี่ยนะเกิดตามสัมมสัญาา เพราะฉะนั้นแล้วปรารบอุทยพยานุปัสนาเพื่อทําการกําหนดสังคตาธรรมทั้งหลายหมายถึงว่าพิจารณาเห็นความเกิดความดับตามลําดับแห่งสัมมาสนาญาณแล้วก็พิจารณาตัวนั้นน่ะเกิดโดยปัจจัยเสื่อมไปโดยปัจจัยตรงนี้เชื่อมให้เห็นชัดว่าผู้ที่รู้อ น, นิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่รู้แบบมันไม่เที่ยงแล้วก็หายไปเลยหลับไปเลยเนี่ยนะไม่ใช่แต่ว่าไม่เที่ยงไอ้เจ้าไม่เทียเท่ยงเกิดจากอะไร ทำไมจึงไม่เที่ยงเนยนะไม่เที่ยงเพราะอะไรเกิดจากเหตุเท่าไหร่ดับเพราะปัจจัยเท่าไหร่เนี่ยนะคือมันหมายว่ามีความตื่นตัวจากนั้นเพราะว่าหลักการสมัยใหม่เนี่ยไม่รู้เป็นยังไงมันอนัตตาก็เลยจบเลยกันนี้จะแค่จะหลับให้ได้เลยนะต่อไปนะว่ายานะต่อไปเลยนะญานะที่เจ็ดคือวิปัสสนาญาณุเทศว่า คำว่าอารมณังปฏิสังขารควาว่าความรู้เห็นอารมณ์มีรูปประคัเป็นต้นเพราะการพิจารณาโดยเป็นความเป็นพังคะาคือแตกดับไปคือตามเห็นรูปเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยโดยอนุปัสนาจิตกวนอีกครั้งหนึงนะการเห็นก็คือเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ ถ้าใช้คำว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารจิต ญ, ญ, ญาณนะถ้าตามหลักปฏิสามิทานะธรรมะสองร้อยหนึ่งหัวข้อนี่มาแล้วแต่นี่มาเป็นตัวอย่างเรียกว่าเป็นภาวตัวอย่าง้เฉยเ อ, อปกติแล้วคําว่าคว า, ามเกิดของรูปโดยาการเท่าไหร่เกิดของรูปโดยาการห้าความดับแห่งรูปโดยอาการห้าเกิดแห่งเวทนาโดยาการห้าดับโดยาการห้าเกิดแห่งสัญญาโดยาการห้า ความดับแห่งสัญญาเดือการห้าเกิดแห่งสังขารโดยอการห้าดับแห่งสังขารโดยอการห้าเกิดแห่งวิญญาณเดือการหาดับแห่งวิญญาณเดือการห้าทีนี้เมื่ อ, อไม่ใส่ใจในความเกิดก็มาใส่ใจในความดับอย่างเดียวก็เป็นพังคารอุปัสรรคนะนะตามเห็นเฉพาะตัวความดับคือเฉพาะหนึ่งเอาเฉพาะข้อห้ามาอย่างเดียวนะคือข้อหนึ่งถึงห้านะเอาเฉพาะข้อห้าคือ วิปริณามะก็คือเห็นความแปรปรวนแห่งรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเมื่อเห็นไอความแปรปรวนอันนี้มีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าพังคะคือความแตกดับไปนิตานเห็นตามเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่พังคะดับไปโดยอันแรกอ น, นิจจานุปัสสนา เธอตามเห็นที่ปริณามะโดยความเป็นของไอไอตัวแปรไปเนี่ยบางคนถนัดที่จะเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงบางคนเนี่ยไอเปรไปอันนี้ก็บอกมันเป็นตัวทุกเรียกว่าทุกขานุปัสนาบางคนเนี่ยไม่มีใครมีอำนาจที่แท้จริงในความเสื่อมไปเนี่ยนะอันนั้นแหละเป็นอนัตตานุปัสนาที้อนุปัสนาสามที่บริบูรณ์ก็ตามเห็นไอสิ่งที่ดับไปนี่แหละโดยความ นิพิธาคือหน้าเบื่อหน่ายเนี่ยนะก็ไม่กำหนัดในสิ่งที่กำลังเสื่อมไปอันนั้นก็เป็นวิราคาวิราคานุปัสสนานะเปนี้ก็ไม่ต้องการสร้างอีกต่อไปเนี่ยนะถ้าอนิจจาวัฏสงขาราอุปาทวัยธรรมมิโนเนี่ยนะสังขารทั้งหลายเกิดสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเนอมีความเกิดขึ้นและเสื่อมไปเป็นธรรมดาถ้าดับสังขารเหล่านี้ได้ เป็นสุขอย่างยิ่งเนี่ยนะก็เป็นอันนั้นเป็นลักษณะกลมมิโรธานุปัสนาเนี่ยนะก็ถ้าดับคือขันห้าไม่มีอีกต่อไปไม่เกิดขึ้นต่อไปเนี่ยนะถือว่าเป็นเป็นสุขอย่างยิ่งก็ถ้าเปรียบแบบง่ายๆเลยนะถ้ามะเร็งก้อนนี้มั น, ม, นมันหายไปนะแล้วมะเร็งก้อนใหม่ไม่สร้างขึ้นมาเนี่ยสงสัยสงสัยไหมว่าเป็นสุขไม่ต้องสงสัยหรอกมันเป็นสุขจริงๆเหรอเนะ สมัยก็ว่าถ้ามันก็ว่าโรคอันนี้หายไปแล้วโรคอันใหม่ไม่เกิดขึ้นเนี่ยนะหรือบอกว่าทิ้งภาระที่แบกมานี้ทิ้งออกไปแล้วไม่ถือภาระอันใหม่ถือว่าเป็นสุขอย่างยิ่งอนนก็เรียกว่าไม่ต้องการสร้างว่าง่ายๆว่าไม่ต้องการสร้างโครงการนี้เป็นโครงการสุดท้ายอย่างนี้แล้วก็เจ้ที่จะไม่สม ร, ร้างให้จริงๆก็ต้องสละออกอนะันขขนะ ป, ป, ปฏิสัส ข, ขานุ ป, ปัสสนาปฏนะิสักคานุปัสสนาเนี่ยนะท่าน ตามเจริญอนุปัสนาเจ็ดเนี่ยด้วยปัญญาเนะี่ยด้วยด้วยจิตหรือด้วยปัญญาเพราะตัวที่ตามเห็นตัวสิ้นไปแห่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณด้วยปัญญาแล้วก็ตามเห็นจิตอีกด้วยจิตหนึ่งโดยอนุปัสนาเจ็ดอีกเหมือนกันอย่านีจิตบวกอนุปัสนาอีกติด ก, กันมานานเนมะันไม่ใช่จะปล่อยกับปลด ก, กันง่ายๆนะใครเคยเด็ด ก, กลิงที่มันกัดมือบ้างนะกลิง เคยใครเคยถูกเปล่งกัดบ้า ง, งนะแล้วก็โหเขาเรียกว่าแกหัวมันติดท้ายอ่ะแกะท้ายมันติดหัวมันติดไปหมดแต่ลักษณะนี่แหละจิตของเราก็เหมือนกันนะปกตินะมันออกจากเรื่องนี้มันไปเอาอันใหม่เปลี่ยนอารมณ์ไปเรื่อยทํางไงมันแกได้หมดอ่ะไม่ติดไม่คล้องได้นี่นะเออพิจารณาขันห้ามันก็มีวิญญาณครับแล้วพิจารณาจิตที่กําลังพิจารณาอะไรเงี้ยครับ ก็ถ้าจะกล่าวตามนั้นก็ไม่ผิดตัวที่พิจารณาก็คือก็ผิดนั่นแหละไปพิจารณานะสังขารวิญญาณตรงนี้ถ้าจะกล่าวให้เต็มก็คือหมายว่าไม่คล่องแม้กระทั่งในสมถะและวิปัสนาพระองค์มีอุศูหนึ่งพระองบอกว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายแม้ทำเราก็ยังไม่สอนให้ยึดถือจะกล่าวไปใหญถึงอาจทำเล่าหมายคว่าแม้กระทั่งสมถะวิปัสนาเนี่ยนะ พรองก็ยังไม่สอนให้ยึดถือด้วยตันหาและอุปาทานจะ ก, กล่าวไปยัยถึงถึงอย่างอื่นเล่าเอนเถอะถึงถึงอากุสรธรรมทั้งหลายเล่าเธอยังทรงจำธรรมะที่เปรียบด้วยเรือด้วยแพได้ไหมเนีย่ยเพราะฉะนั้นธรรมะเหล่านี้เขาบอกว่าถึงที่สุดต้องการสลัดออกแม้กระทั่งจากสังขารธรรมทุกชนิดเนี่ยทีนี้ธรรมะสองร้อยหนึ่งนี่ขันห้านี่มันก็คลุมหมดแล้วนี่ครับ ก็ใช่แล้วก็จะเรียกแบบนักปฏิสัมพินธได้ยังไงแตาว่าย่อๆก็เนี่ยจิตนับหนึ่งเจตสิกห้าสิบสองรูปสิบแปดพอแล้วก็ไม่ไม่กว้างขวางไม่ลึกซึ้งอะไรนะก็ก็ไม่ใช่นักปฏิสัมพิทธนะของเราเรียนปฏิสัมพินธมันกว้างขวางทนนี้ถ้าเกิดคนที่จะน้อมปฏิบัติจริงๆนะครัจะต้องทั้งหมดสองไร่หนึ่งนะครับ คนที่จะปฏิบัติแล้วบรรลุจริงๆอ่ะนะคนที่ฟังคาถาเดียวแล้วปฏิบัติเห็นสัจจะบรรลุได้เอาตรงนั้นเป็นประมาณนั่นสองร้ยหนึ่งนี้ก็ตามอธิบายสองรอยหนึ่งเนี่ยก็หมายความว่าเหมือนกับว่าใครเคยเดินทางแล้วไปดูตารางเดินทางอ่ะนะจริงๆมันไปอยู่เที่ยเดียวนั่นแหละแต่ว่าไปดูหูตารางเดินทางเนี่ยเต้นไปหมดเลยนะแต่ไปจริงๆไป อ, อยู่เที่ยวเดียวนี่ก็ลักษณะเดียวกันการพิจารณาทำทั้งหลายก็เหมือนกัน คือผู้ที่มีวิธีหรือรู้วิธีการพิจารณาหลายๆวิธีเนี่ยถือว่าเป็นความกว้างขวางใช่ไหมเป็นความไม่คับแคบเนี่ยนะก็เหมือนกับว่าคนมีอาหารเต็มโต๊ะกับมีอาหารอยู่แค่อิ่มเดียวเนี่ยนะคือคือกินหมดแล้วอิ่มพอดีกลับมีอาหารเต็มโต๊เลยเนี่ยนะใครจะชอบแบบไหนบางคนก็บอกว่าชอบเนี่ยแบบถ้วยเดียวนะทุกอย่างมาตรุงไว้การเดียวหมดแล้ว ก, ก็กินอิ่มก็พอแล้ะอีกคนไม่ได้ฉันต้องเต็มโตนั่นแหละ แต่ก็อินเดียลเหมือนกันนั่นแหละคือวัตถุประสงค์ก็เท่ากันนะะอาหารถึงจะมากจะน้อยก็อินเดียวฉันใดเนี่ยนะคือจะนอนเตียงดีขนาดไหนก็ต้องการหลับอินเดียวอยู่เหมือนกันนะนะอาจจะมีหลายเตียงก็ตามเถอะนี้ก็ลักษณะเดียวกันการพิจารณาวัตถุประสงค์ก็คืออันเดียวกันเพื่อเพื่อออกจากวัฏทุกข์นั่นเองบางคนก็ชอบแบบว้างขวางบางคนก็ชอบแบบง่ายๆสั้นๆ ก็ท่านอัจฉริยาศัยจึงมีหลากหลายแต่นี้ภาษาริบุตรท่านแสดงตามอัจริยาสัยของท่านเพราะเรากําลังเรียนคัมภี์ภาษาริบุตรอยู่ท่านภาษาริบุตรท่านจะไม่คิดอะไรที่มันง่ายท่านจะคิดแบบกว้างขวางลึกซึ้งเห็นไหมก็อย่างบางคนก็บอกขอให้แบบขอให้มันรู้เถอะบรรลุที่ไหนก็บรรลุใครเพศก็บรรลุอย่างเดียวพอใจแล้วนะบางคนไม่ได้บอกว่าชั้นนะต้องบรรลุแบบอะไรก็ว่าไปเห็นไห แบบภาษารีบุตรแบบพร ะ, แบบพระมกขลานะต้องแบบพระมหากัจจายนะต้องทำงานไน่อยแบบพระ อ, อนนท์อย่างเงี้ยไก็อัธยาศัยตั้งไว้แตกต่างกันเพราะอัธยาศาัยต่างกันนี่แหละเสื้อผ้าที่นุ่งมานะั้นมีใครเหมือนกันบ้างน่าจะเหมือนนะไม่เหมือนเลยอ